นิทานบันเทิงคําเรื่อง ตัวแข็งแรงเที่ยวหากินอยู่ตามลำพังเท่าลูกม้าแข็งแรง นางจินจมานวิกาเกิดสมบูรณ์ด้วยไม้ผลนานาชนิดเช่น วิธีไปก็คือจะกระโดดจากฝั่งก็คือจะกระโดดจากฝั่งลง ในแม่น้ําสายที่พญาลิงกระโดด 2 ตัว 2 เนี่ยมันคลื่นเจออยากอะไรจ๊ะอยากจะกิน มันโดดข้ามไปข้ามมาเป็นประจำจริงสิน้องได้ พี่อปากจังจะเอามาฟักหัว ตกเย็นหลังจากกินมาทั้งวัน <c oughs> เรากระโดดข้ามไปข้ามมาทุกวันกระโดดข้ามไปข้ามมาทุกวันๆๆ นั่นจระเข้นี่นามานอนลองใช้วิธีนี้ดูดีกว่าก้อนหินอยู่ทำไมอ๋อเพราะ แหลกเอ๊ะทําไมถึงไม่ตอบล่ะจ๋าก้อน ไอ้พญาลิงคงไม่พูดอย่างแน่ๆเอาเท่าว่า ไม่ใช่ก้อนหินหน้าเลยเพราะก้อนหินพูดไม่ได้แต่ท่านน่ะพูดได้ฮะกรุณ เอาเนื้อหัวใจไปให้เมียฮะเฮ้ยนางต้องการจะกินหัวนี่พยากรมภี ขอให้ท่านนครอ้าๆท่านตกลง ไปลงบนฝั่งแม่น้ำอย่างรวดเร็วเหมือนๆ นับไม่ติดนานอ้าวฮะ 4 ประการอยู่ในตัวเองอยู่ใน 4 เอ๊ะท่านจารึกธรรมะ 4 ประการที่ 1 สัจจะได้ 2 ธรรมะ 3 หิติได้ 4 จาคะได้แก่ประการ อยู่ในตัวท่านในท่านก็มาจริงๆท่านพระท่านพูดว่าจะมาหาค่ะ ย่อมกลับแหมมีดาครั้ง เหมือนพญาลิง